1. มูสาวาดวัค 4. ป่ปะทะโสธรรมสิกขาบทว่าด้วยกันให้กล่าวธรรมเป็นบทเรื่องพระชัพะคี 44. ส, ส, ส, สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพวกพิสูจน์ฉับพคีสอนอุบาสกให้กล่าวรมแข่งกัน เป็นบทบทพวกอุบาสกจึงไม่เคารพไม่ยำเกรงไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมในภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มากน้อยสันโดษจึงพากันตนําหนิประนามพลทนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุชาบัคีจึงสอนอุบาสกให้กล่าวทำแข่งกันเป็นบทบทเล่าพวกอุบาสกจึงไม่เคารพไม่ยำเกรงไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมในภิกษุทั้งหลายครั้นภิกษุเหล่านั้น ตำหนีพวกพิสูจน์ชาวพะ o k โดยประการต่า ง, างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ